สามสิบที่ร้านอาหารสองขปารุษอขปหารุัฐขอน้าแอปเปิลค่ะกรุปยาเอก س ฟรฉันดาทารสะน ครุปยร์ชันด้าชารานาขอน้ำมะนาวค่ะครุปยา क ลิมบูปาिีอารุปाา1ลมบูปานีอาณาขอน้ำมะเขือเทศค่ะครุปยา1ทो म แ ट ตโाส่ครุปाา1ทอมตรสานาดิฉันขอยายแดง1แก้วค่ะ म าลาเอ็กแกล์ลาเอ็รวาน์ดฉันขอวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะมาลาเอ็กแกล์สไวท์วายน์พ่ะยีเจมาลาเอ็กแกล์สไวท์วายน์พ่ฉันขอชปญหนึ่งขวดค่ะมาลาแชมเปญชีเอ็ลชปชีเบัล คุณชอบปลาไหมคะตุลา म ा स े आ व ว त ा त क ा तुलामासे आ व ซ त ा त ดตคุณชอบเนื้อวัวไหมคะ तु ลาโกมันซาวัดตาก้าตุลาโกมันซา त ัดคุณชอบเนื้อหมูไหมคะตลาดุค र ा च เซม้าอุนซาวัดตาก้าตุลาดุคราชเซมส ดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์มลาทีมิละให้ที่ฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุดจลจดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะ त्या सोबत ัปลัลลับฮาต้าวาเฮก้าแต่สบัดอัปลัाลाบฮา ह ้าวคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะ त्या सोबत ั प ल ् य ा ल ा पास्ता ह व ाาเฮก เท่าสบัดอัปลอลาพาสต้าฮาว่าเฮก้คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะเท่าลอลาบัตต่บัลลาบัตเตกรสชาติไม่อร่อยลชิโลมลชิโตะอวลนาอาหารเย็นชืด เจวันทันดาเฮด้ดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้เฮ้พัดดาร์มีมาเกวเลนเอเถอเฮ้พัดดาร์มีมากวเลนเกรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด